วันนี้มีคนที่เป็นใบมาจากเนเธอร์แลนด์คอนแลนด์โอ้ยไ ม, ไม่นึกเหมือนกันว่าจะเป็นทําได้เข้าถึงใจที่เป็นทําได้เลยพวกเดียวหลุดเข้าไปได้เลยเข้าถึงใจได้เลยเป็นคนใบล้วก็นึกว่าแท้ไม่ได้คิดจะมาแลก็ตามแม่มาเฉยอยู่ๆ เป็นธรรมเขาถึงใจสามารถสอนธรรมคนคนปกติได้เลยพูดธรรมที่ออกจากใจให้คนปกติได้เลยเมื่อกี้วันเนี้เล่นละคนปกตินี่นั่นไปเลยนะเดี๋ยวต้องถามไปไงบ้างในคนที่อยู่ในในเหตุการณ์อ้าวธรรมของคนบ่ายเขาขอคนปกติทีเดียวก็ฟังธรรมยังไงเขาก็ใจเอ้าอ๋องอยู่ในเหตุการณ์เอ้าวอันนี้ทาไมคนปกติฟังธรรมกันซ้ๆๆ นี่คนเป็นใบามาทีเดียวัวต่เข้าถึงใจที่เป็นธรรมเลยครับขอขอแกะครับหลวงตาขอคัดเล่าให้กัลยะาณมิตรฟังนะครับก็คุณแม่เขาเนี่ยไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยนานแล้วก็รู้จักกับพี่เทพที่เขาที่แล้วที่มากราบหลวงตาก็แนะนำกันมาต่อจาก YouTube แล้วก็เขาก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่มากราบหลวงตานะครับ แล้วก็บางเอิญว่าลูกสาวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ว่าน้อมทามาเท่าไหร่แต่มีเหตุปัจจัยนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าลูกสาวจะไม่มาลูกสาวชื่อน้องนุ่นคือมีความผิดปกติทางการได้ยินเนี่ยตั้งแต่กำเนิดก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่เขาใช้กันก็คือเป็นภาษามือเป็นภาษามือนะครับแล้วก็แม่เขาเนี่ยก็ ก็เรียนรู้ภาษามือเนี่ยได้ดีมากและที่สําคัญนะคือว่าแม่เขาน้อรรมทํานะครับหลว ง, ง, งตาแม่เขาน้อมทํำพอเขากราบหลวงตาหลวงตาเมตตาแนะนําเขาเนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแม่เขาก็ ก, ก็ก็มีทำหลังจากนั้นหลวงตาก็เมตนาน้องนุ่นอีกครั้งหนึ่งก็ก็ หลวงตาก็พิจารณาว่าจะสอนอยังไงนะเพราะว่าเอเรายังคิดกันอยู่นะครับหลวงตาว่าจะแปลธรรมะเนี่ยจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยว่ายากแล้วนะฮะอันนี้จากภาษาไทยนะฮะเป็นภาษาใบนะไม่รู้จะจ ะ, จะยังไงนะแต่บังเอิญว่าแม่เขาเป็นกัลยาณมิตรโดยแท้กับลูกก็เลยได้มีโอกาสสอนนะครับก็เป็นธรรมที่ออกมาจากใจแล้วก็แรกๆเขาก็ยังยังงงๆนะฮะแต่หลวงตาก็เมตตาชี้ให้ชี้ให้ชี้ให้จนสุดท้ายเนี่ย เขาเห็นสภาวะที่เรียกว่าใจกับคิดคนละตัวกันเขาแยกได้ว่าใจกับคิดเนี่ยคนละตัวกันแล้วพอเขาเห็นอย่างนี้นะครับโอ้แบบปิตินะครับดวงตาครับปิติเกิดแล้วก็เหมือนดอกตัวบานหน้าตาเขานี่จากอิดโรจากการเดินทางมานะฮะถึงเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่าหน้าเขาก็ เป็นสีชมพูเป็นสีชมพูผ่องใสขึ้นมานะฮะแล้วก็ทุกคนในในที่นี้ทั้งป้าหนม่มพี่แป้นเจ้าของบ้านนะฮะทุกคนรับรู้ในความปิตินั้นหมดนะฮะพลังเขาก็ก็กระจายออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีท่านหนึ่งที่มากราบฟังธรรมหลวงตานะครับแล้วก็ยังยังยังยั ง, ยงมีคำถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติแล้วหลงไปกับคิดบ้างเอ๊ะเดี๋ยวพอสักพักนึงก็อยู่กับรู้เอ๊ะรู้สักพักหนึ่งเอ๊ะตกลงว่ารู้กับคิดนี่นยังไงก็หลงอย่างนี้กลับไปกลับมาหลวงตากเ็เลยเมตตาให้ใน้องนุ่นนะฮะได้ตอบตอบตอบเป็นธรรมจากใจให้กับให้กับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งฟังคุณแม่เขาก็แปลกลับไปกลับมานะฮะ ด, ด้วยความคล่องแคล่วแล้วก็ด้วยความตรง น้องนุ่ก็บอกทุกอย่างก็เกิดที่ใจจบที่ใจแล้วก็ลาที่ใจโอสาทุนะครับเอาใครเสริมเอาพัอรีเสริมน่ะให้เป็นประโยชน์ตับทุกคนเอาเป้่าเปเปาเแอบดูอยู่คือจริงๆที่อ่องเล้าไปนี่หมดแล้วนะคะแต่ว่ามีมีนิดนึงเขาก็จะบอกว่าไอตัวคิดเนี่ยมันเป็นของปลอมทั้งหมด เ ข, เขาบอกอย่างนี้ด้วยมีมตรงนี้ด้วยเ ส, เสริมตรงนี้นิดนึงเ ข, เขามองขาดขนาดนั้นเลยว่าไอ้ตัวคิดเนี่ยของปลอมทั้งนั้นเด็ ก, กอายุย<แ>ี่สิบสามยี่สิบสี่เองนะคะ ซ, ซึ่งเข า, เขาฟังเขาไม่ได้ยินแ ล, แล้วหลวงตาก็บอกเขาว่าคือขนาดนี้เขายังไม่ได้ยินเสียงแต่วันหนึ่งเขาจะสามารถฟังด้วยใจนี่ขนาดคุณหมอ ย, ยังรับรู้ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะก่อ น, อ, นอนกลับเขาก็ สามารถฟังด้วยใจได้ <c oughs> <c oughs> เขาฟังคนอื่นได้เขาฟังคนอื่นด้วยใจได้เขาสามารถเห็นคนอื่นด้วยใจได้เขารู้เลยว่าเขาไม่ต้องรู้คนอื่นด้วยความคิดไม่ต้องเขาเข้าใจเขาเนี่ยไม่ต้องเขารู้เลยว่าเขาไม่ต้องรู้คนอื่นได้ได้โดยการใช้ความคิดคือไม่ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยความคิดเขาแยกระหว่างความคิดกับรู้ด้วยใจขาดเลย เขาไม่ต้องรู้คนอื่นได้ความเข้าใจคนอื่นได้ความคิดแต่เขารู้คนอื่นได้ใจเล้วะต่หลังเขาก็สามารถสอนทำคนปกติได้เพราะเขาสามารถรู้คนอื่นได้ด้ใจเขาเลยสอนได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้คนอื่นออกมาจากใจว่าคนอื่นเป็นอย่างไรผมก็จะบอกคนอื่นได้สอนคนอื่นได้ก็สอน เขาพยายามพูดต่อหลายคนเขาเลยเนี่ยแล้วที่สําคัญที่สุดคือเขาทะลุไอ้นั่นออกไปได้ทะลุความปมด้อยในใจที่สําคัญที่สุดคือเขามีปมด้อยในใจมานานแล้วว่าเขาเป็นใบ้ตรงเนี้ยเวลาพอพูดทําอะไรทําเขาบอกว่าเขารู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเขาอับพับเขาเป็นใบ้เขาหูไม่ได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้เขาไม่สามารถรู้ทําได้ เขาเป็นรู้สึกมีปมด้อยอยู่ในตัวเนี้ยพอเขาสอนทำคนปกติได้ไอปมด้อยที่เขามีอยู่มันหายหมดเลยไปตรงนี้สำคัญที่สุดทีที่เขาได้รับคือเขาสามารถทะลุปมด้อยที่มีในใจเขาไปได้บอกว่าเขาจะสอนภาษาใบ้ไปได้ทั่วโลกเพราะว่าทุกชาติศาสนา ภาษาใบสามารถทะลุเข้าไปได้หมดเลยเพราะว่าเขารู้ทุกคนออกมาจากใจเขารู้สภาวะรู้สิ่งต่างๆรู้เทวติวดาอินพรมยมย่านาคุณรู้สัตว์ยุจใจของสัตว์ทั้งหลายเขาสามารถรู้ได้คือรู้ออกมาจากใจไม่ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นโดยระบบความคิดเขาแยกออกระหว่างความคิดกับใจที่รู้แล้วเขาบอกว่าคนนี้ก็พยายามถามมาแล้วเราจะพบใจได้ยังไง เขาบอกว่าให้รู้ออกมาจากใจให้รู้ที่ใจใช่ไหมให้รู้ที่ใจให้รู้ออกมาจากใจจะรู้ได้ความคิดใครเสริมไหมเอาใครได้รับประโยชน์อะไรจากเ้าบ้างไหนนี้ตอนนี้ตอนนี้แง่ใหม่มัางอ้าวยมเนี่ยยอมหรือว่าเนี่ยเอาใครเดีย๋ยวผู้ชาเจกเนะี่ยได้รับประโยชน์อะไรจากเขาบ้างจากประสบการณ์อันนี้ อยากให้ทุกคนเข้าถึงทำก็ตอนนั้นนะครับก็จะมีม um ีโยมอีกคนหนึ่งก็จะถามว่าเนี่ยแล้วมันม erm ีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะจัดการกับความคิดยังไงจะไปจัดการกับความคิดยังไงน้องเขาก็พี่เขาก็บอกว่าความคิดพวกนั้นอ่ะมันเดี๋ยวมันก็ตายแล้วความคิดมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วครับก็ไม่ต้องไปสนใจมัน เออแต่ละคนพูดแง่มุมที่ตัวเองเห็นชัดเข้าใจดีมากดีดีใช่เขาบกบ่าว่าความคิดมันเป็นความคิดที่มันเกิดแล้วมันก็ตายเองเราไม่ต้องไปจัดการมาราันหรอกเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาพยายามพูดยังไงเขายาจะจะขับไล่ความคิดจะจัดการกับความคิดอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าความคิดมันเป็นสิ่งที่ตายเกิดแล้วมันก็ตายเองเราไม่ต้องไปจัดการกับเราอ่ะผู้ชายเนี้ยอืมเป็นติดแล้วดได้ไประโยชน์ยังไงบ้างเข้าใจ มีอะไรถึงใจบ้างไม่ได้ประโยชนนะ่่หม่แตก็รู้ี่าพูดถึงแง่ถ้าเป็นความก็ง ความคิดการรู้ด้วยความคิดเป็นความปรุงแต่งต้องรู้ออกมาันจกใจจึงจะไม่ปรุงแต่งคนจากความปรุงแต่งอ้าโยมเน่ะโยมคนไหนมาดูหน่ะยโยมยะนรแอ้วอ้าโยมพี่อื้าเอาเด๊ะเอาโดนใจมั้งเอะที่มันเกิดประโยชน์กับทุกคนด้วยก็ะโยู่กับเราด้วยเอาได้ประโยชน์อะไรจากตัวเราได้ได้พูดออกมาให้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับคนอื่นอะยายหนมอ้าอ้ายายหนม คือได้ประโยชน์จากคำพูดเขานาะคะหลวงตาแต่ว่าพอเขาเขาบอกว่าบัวมันมันเหมือนดอกบัวบานอย่างเงี้ยปนมมันก็ปิติอิ่มใจจนตอนนี้ก็ยังอิ่มอยู่เนี่ยพูดถึงที่ไรก็ปิติเกิดทุกครั้งเลยอะซึ้งจริงๆไม่น่าเชื่อก็แต่ละคนแงม่มุมอ่าพจนีสรุปก็คือธรรมะเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดค่ะ ไม่ว่าคุณจะได้ยินหรือคุณจะไม่ได้ยินแต่ถ้าคุณใช้ใจเนี่ยคุณก็สามารถน้อมอธรรมะเนี่ยเข้ามาสู่ใจคุณได้ทุกๆคนสาธุอ่าต่อรีทุกคนรู้มาจากใจแนละ้วต้องรู้ออกจากรู้จากใจไม่ต้องเข้าใจเดือยระบบความคิด นี่แหละที่พระพุทธเจ้าตอนในนางเจ้ามหาสวสดิโลกตอนที่สุจาดาที่ถวายข้าวมรุภุญญาตให้พระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าจันข้าวนี่เสร็จก็ตรัสรู้จานข้าวเสร็จแล้วก็ทําความเพียรพอร่างกายมีกําลังจากการจานข้าวมรุภุญญาตเสร็จแล้วก็ทําความเพียรก็พอเกิดกําลังขึ้นมาก็เออรู้แจ้งว่าว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสุชาดาถามพระพุทธเจ้าว่า พรเจ้าตัารู้อะไรบ้างบอกได้ไหมพระเจ้าก็เล่าบอกให้ฟังเอ้มันทําอย่างธรรมดาง่ายๆเป็นธรรมชาติปกติเนี่ยแต่ทําไมไม่เข้าใจพระเจ้าตัดว่าไม่ต้องเข้าใจแต่ให้รู้ที่ใจให้รู้ออกมาจากใจอ่าปี น, นี้ให้ถามอ่าข้าเวลาจานัาน์ปานะเสร็จ แ, แล้วอสักได้นะสักเต็มที่เออ เข้าใจไหมที่ที่ฟังเนี่ยเอาที่ฟังเขาพูดกันมา่กินเข้าใจยังไงสักได้ตัวเราอะ่ะอันนี้เอาไมล์นั่นเนี่ยเราเนี่ยเนีที่ฟังที่ฟังพูดกันเนี่ยเข้าใจถึงใจยังไงรู้ออกมาจากใจได้ไหมคนไมไมล์เปิดเนี่ยเปิดเปิดไปอ่ยมันเรียกว่าเข้าไปถึงใจมันเป็นยังไงนะอไม่เข้าใจตรงไหน มันเหมือนมีตัวเราอยู่ยังยังไม่ปล่อยสักทีเดียวค่ะอืเพราะว่าแต่ที่เข้าไม่ถึงใจเพราะท่านพยายามคิดหาความเข้าใจในขณะเนี้ยที่มันเข้าไม่ถึงใจเพราะว่าความคิดหาความเข้าใจมันมาขวางใจมันมัเป็นประตูปิดขั้นให้เข้าไม่ถึงใจเพราะใจมันได้แต่รู้แต่ท่านใช้ พยายามจะคิดให้มันรู้แต่แท้จริงอ่ะต้องรู้ออกมาจากใจว่าเรากําลังคิดให้รู้ออกมาจากใจว่าเราเนี่ยกําลังคิดกําลังพูดกําลังกระทํำให้รู้ออกมาจากใจแต่ท่านเนี่ยกําลังเค้นใช้ใช้สมองใช้ความคิดจะให้มันรู้เลยมันตรงกันข้ามมันต้องรู้ออกมาจากใจว่าเรากำลัาางคิดอะไรอยู่ แต่ท่านต้องการความเข้าใจที่ได้จากการคิดต้องการจะให้รู้แจ้งที่ได้จากการคิดแต่ที่พูดเนี่ยคือรู้แจ้งคือรู้ออกมาจากใจรู้มาจากใจไงก็ก็แยกระหว่างรู้กับความคิดออกจากการเด็ดขาดคือความคิดมันเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ใจเนี่ยมันไม่มีการเกิดดับอะไรไงต่อเรานี่แหละเข้าใจราคา่าการมันถึงใจยังหร อืก็มันยังเห็นความคิดแต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะบางทีก็หลงไปกับความคิดด้วยเหมือนกันมันจะอยากไปเอาอะไรอืมอืมอืมอืมเขาพูดออกมาอย่างไงออกมาจะใจเลยเอาอุณธรรมันเหมือนแบบดันกันอยู่อ่ะเหมือนเกิบอะไรนะเหมือนกับดึงดันกันอยู่อ่ะค่ะเออมันลังกันอยู่ลั่งอย่างไงที่ว่าเหมือนกับลองบอกสิ ว่ามันเหมือนกับมีการดึงรังกันอยู่ภายในมันยังไงเราปล่อยวางที่มันดึงรังกันอยู่ทั้งหมดไปได้ไหมล่ะเนี่ยต้องตั้งใจฟังนะเรารู้ยังไงว่าในใจเราเนี่ยมันเหมือนมีอาการอะไรดึงลังกันอยู่อาการดึงลังกันอยู่เนี่ยเราพยายามจะแยกอาการที่มันดึงรังกันอยู่ภายในใจเราเนี่ยออกจากกันใช่ไหมเราพยายามที่จะแยกระหว่าง จะดึงล้างไอ้ความคิดกับรู้เนี่ยออกจากกันแต่ความจริงอ่ะทั้งคิดทั้งรู้เนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันแต่ถ้าพี่นาให้ดีๆใครล่ะที่เห็นหรือที่รู้ว่าภายในใจเรามันมีการชักระเยาะกันมีการดึงล้างกันระหว่างรู้ ก, กับคิดใครล่ะ <c oughs> ใครเรารู้ว่าเนี่ยมันมีการล้างกันมีการชักระเยาะกัน ระหว่างรู <'re> ้กับคิดภายในใจเราใครละมารู้มารู้ว่าภายในใจเรามันมีอาการล้างกันแบบเนี้ยดึงลังกันอย่างเงี้ยใครเป็นคนรู้ตัวเราเออนี่ไงเนี่เนเนจไหมจำไหมจำตรงนี้ไว้ตัวเราเป็นคนรู้จําตรงนี้ไว้ตัวเราเป็นคนรู้รู้ที่แท้จริงเนี่ยเราที่แท้จริงเนี่ยคือรู้รู้ตัวเราเราที่แท้จริงเนี่ยน่ที่เรามาเกิดเนี่ยคือผู้ที่รู้ตัวเรานี่เองแต่ตัวเราที่ถูกรู้ได้ ทุกความคิดทุกกริยาอาการภายในใจทุกการพูดทุกการกระทําไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจง้งเราจะสามารถรู้ตัวเราได้ตลอดเวลาเลยแต่ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นตัวปลอมเป็นตัวสมมติเดี๋ยวมันต้องตายแตกดับตัวเราที่คิดได้พูดได้แสดงกริยาการใดใดได้ไดกระทาอะไรได้ไม่ว่าในที่ลับหรือที่แจง้งตัวนี้ต้องตายแตกดับ แต่เมื่อกี้ถามว่าแล้วใครแบรู้ว่าในใจเราเนี่ยกำลังมีกิริยาการต่างๆแบบนั้นมีการเหมือนกับมีการชักกระเยากันภายในใจก็ต้องรู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนอื้อยังไงอ่ะเราจะหาว่าแล้วตัวเราที่ผู้รู้อยู่ตรงไหนหาเจอไหมไ ม, ไม่เจอเพราะว่าเราไม่มีตัวตนไงมีแต่รู้แต่ตัวตนของเขาไม่มี เราจึงหาเขาไม่เจอคือบางทีก็พยายามทําบางทีมันจะว่างๆอะค่ะแล้วก็พยายามมีคล้ายๆสภาวะมีเพ่งอยู่จุดหนึ่งเพื่อจะได้ไม่หลงไปอะไรเ ง, งี้ยค่ะเมื่อกี้เราบอกว่ารู้สองอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีสองสภาวะอาการที่ถูกรู้คือหนึ่งรู้สึกว่างๆสอง รู้ว่ามีอาการพยายามเพ่งไว้วกล <ère> ัวมันจะหลงไปกับอะไรทั้งอาการว่างหรือความรู้สึกว่างและอาการที่พยายามเพ่งไว้เพราะกลัวจะหลงไปกับอะไรอันนั้นเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งที่ถูกรู้คือเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวต่างขาเป็นตัวขาหน้าที่มันมาเกิดใหม่ในชาตินี้แล้วก็ตายแตกดับไปแต่ผู้ที่รู้เราเนี่ยที่ผู้ที่รู้ว่าเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวขัาหน้าเนี่ยมันมีอาการว่าง แล้วม่มีอาการเพ่งอยู่ไอ้รู้นั้นแน่คือเราแท้ๆอย่าลืมตัวนี้เราเนี่ยแน่คือรู้รู้นั่นแน่คือเราคือรู้อะไรกับรู้ตัวเรานี่แน่ที่การคิดการพูดการกระทําว่ารู้ตัวเราว่ามันมีใจว่างใจคิดใจสบายใจไม่สบายไอ้ใจว่างใจคิดใจสบายใจไม่สบายเนี่ยมันคือตัวขันหน้าตัวเวทนาแต่ผู้ที่มารู้ว่ารู้ร่างกายรู้เวทนารู้ใจว่างใจคิดใจสบายใจไม่ว่างใจไม่สบาย รู้นั่นแน่คือเราแท้แท้เราแน่แน่คือรู้นั่นนหละรู้เนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายก่อนมาเกิดอยู่ในร่างนี้เข้ามามาเข้ามาในร่างนี้จนกระทั่งร่างนี้มีเป็นตัวเป็นตนมีสามารถมีความคิดมีการพูดมันกระทำได้ก่อนเกิดแน่น่ะมีแต่ความรู้มีแต่รู้ที่ว่างเปล่าเมื่อเกิดมาอยู่ในร่างนี้แล้วไอ้ร่างเนี้ยมันเลยมีชีวิตจิตใจร่างเราเนี่ยที่มีจิตใจมีการกระทําอะไรได้พูดอะไรได้คิดอะไรได้ แต่รู้มันก็ยังเป็นรู้ตัวเราอยู่ดีนะั่นแหละว่าไม่ว่าเราแอ บ, บคิดแอ บ, บพูดแอ บ, บกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งมันก็ยังรู้ตัวเราอยู่เรื่อยไปแล้วพอตายถึงข่าวซีนอายุไขไอ้ตัวเราเนี่ยที่แอ บ, บคิดแอบบพูดแอบกระทาไปหรือว่าไปทําพูดคิดพูดทำอะไรในที่แจ้งในที่เปิดเผยหรือไปแอ บ, บคิดพูดกระทาอะไรในที่รับไม่สามารถร อ, อดพ้นจากความรู้ของเราได้เลยแต่จริงเราเนี่ยรู้เราจรึงสามารถรู้ตัวเราได้ตลอดเวลา ไม่สามารถรอดพ้นได้เลยไม่ว่าจะอยู่ในที่ลับหรือที่แจ้งแต่พอถึงค่าวตายที่นิรุไขไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันสามารถคิดได้พูดได้กระทำอะไรได้ไอ้นียดับไปแต่ไอ้ที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่เคยแตกไม่เคยดับไม่เคยทำลายไม่มีอาวุธใดในโลกประค่ามันได้แม้แต่นิพพานก็ฆ่ามันไม่ตายนิพพานฆ่าได้เฉพาะอาวิชากิเลตันหาและความทุกข์ทั้งหลายแต่ ข้าไอ้ผู้ิรู้ตัวเราไม่ได้เพราะไอ้ี่รู้ตัวเราเนี่ยเราบอกแล้วว่าเรายังหามันไม่เจอเลย <ส Am S 1> เพราะตัวตนมันไม่มีนั่นแนะเราที่ไม่มีตัวตนนั่นแน่ที่มีแต่รู้นั่นแน่อันนั้นแน่คือเราแ ท, แท้แต่เรายึดผิดตัวเรามาไว้ตัวเราเนี่ยที่มีมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทายายาี่มีความพยายามได้มีความพยายามมีความพยายามมีความเพ่งจ้องมีการปรุงแต่งจิตได้ เอาไอ้ตัวที่ปรุงแต่งเอาตัวพยายามได้มาเป็นตัวเราเอาตัวที่สงสัยสงสัยเอาตัวที่รีลนที่ค้นหาตัวที่วิเคราะห์วิจารณวิจัยตัวที่พยายามได้เอามาเป็นตัวเราซะแต่เราแท้จริงอ่ะสังเกตได้ดีดิไม่ว่าเราจะมีการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพยายามปรุงแต่งรีลนค้นหาพยายามเพ่งอะไรไว้เพราะกลัวเราจะหลงไอ้ที่ปรุงแต่งได้ทั้งหมดอ่ะมันถูกรู้ได้ถ้าสังเกตได้ดีดิมันไม่หลอดพ้นจากความรู้ของตัวเราไปได้เลยว่า เรากําลังทํากิริยาการเพ่งจ้องปรุงแต่งดิ้นลนค้นหาพยายามรู้ละปล่อยวางไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นตัวปรุงแต่งแต่ไอ้ตัวที่รู้ว่าตัวเราเนี่ยไอ้ตัวขันหน้าเนี่ยเป็นที่ตัวปรุงแต่งเนี่ยกําลังทํากิริยาการปรุงแต่งอย่างนั้นรู้นั้นน่ะคือเราแต่แต่เราก็อยู่กับรู้นั้นแน่ก็เป็นเราเนี่ยให้เป็นเราเน่ยเป็นรู้ให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดอย่าไปเป็นตัวปรุงแต่งอย่าไปเป็นตัวที่มีการกระทําได้ อย่าไปเป็นตัวที่คิดนึกตัตองปรุงแต่งดิ้นลนค้นหาพยายามได้อย่าไปเป็นตัวพูดอย่าไปเป็นตัวกระทําให้เป็นตัวรู้ตัวเราที่พูดที่กระทำที่คิดที่นึกที่ตึกที่ตองที่ปรุงแต่งให้เป็นรู้อย่ามาเป็นตัวที่คิดได้ที่พูดได้ที่กระทําได้ให้เป็นรู้เรื่อยไปให้เป็นรู้หรือเรียกว่าอยู่กับรู้เออย่าไปอยู่กับคิดเออย่าไปอยู่กับไอ้ตัวที่มันพูดได้อย่าไปอยู่ที่ตัวที่กระทาอะไรได้ ให้เป็นรู้หรืออยู่กับรู้ตัวเรานี่แน่ตัวเราที่มันคิดมันพูดมันกระทาอะไรบางทีมันก็กลัวจะหลงนะบางบางทีมันกลัวจะหลงอ่ะคะเพราะว่ามันมันมันเหมือนไม่รู้อะไรเลยที่กลัวจะหลงได้เป็นตัวไหนอ๋อมันเป็นตัวสังขารแล้วใครเรามารู้ว่าเราไอ้ตัวสังขารขันหน้าเนี่ยมันกลัวจะหลงอ่ะใครเระรู้ เออก็เราแน่แน่ก็เราก็เป็นเป็นรู้ไปสิทำไมเป็นเป็นกลัวล่ะก็กลัวเพมันเป็นตัวสังขารก็ปล่อยมันสังขารไปให้พูดออกมาจากใจทุกอย่างมีอะไรเอาพูดเลยอย่าคิดเองในใจพูดออกมาตัวที่ก็เรากำลังไข้ควรประมวลเหตุผลประมวลวิเคราะห์วิจาร์วิจัยบวกความสงสัยไว้ในใจเนี่ย เราเอาตัวเนี้ยเป็นตัวเราณขนาดจิตนี่เลยไอตัวที่มันไข้ควรวิเคราะห์เหตุผลประมวลเหตุผลมีความเข้าใจมีความเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวอะไราเออมันเป็นตัวสังขารแล้วเราก็สามารถไอส่วนที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันก็รู้ได้ว่าไอตัวสังขารหรือตัวขา น, น้าเนี่ยมันเข้าใจมันเข้าใจม า, ใมากเลยลวันเนี้วันนี้จะพูดอะไรนะ ถูกมันหลอกอยู่เรื่อยเลยค่ะและผู้ที่มารู้สังขารเนี่ยคือรู้ตัวเราที่เป็นสังขารหรือขันธ์อ้าเนี่ยไอ้ไอ้รู้นั่นน่ะมันคิดปรุงแต่งได้ไหมไม่ได้เออมันมันคิดปรุงแต่งไม่ได้แต่ตัวที่คิดปรุงแต่งได้หรือสังขารได้เป็นตัวไหนอเป็นตัวไหนตัวที่คิดได้เออตัวที่คิดได้ที่ปรุงแต่งได้พยายามได้อะไรได้มันเป็นตัวไหนมันเป็นตัวไหน ตัวที่คิดได้วิเคราะห์ประมวลผลได้เข้าใจได้เป็นตัวไหนที่สงสัยได้เป็นสังขารเออตัวสังขารทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงตัวปลอมหรือเรียกว่าตัวสมมติเดี๋ยวจะเพิ่งคืนไม่คนอื่น <c oughs> วันนี้ไม่ยอมเ <c oughs> ยอมออาเนี่ยอ่ะ <c oughs> วันนี้ไม่ยอมให้คืนใหม่ให้คนอื่นเน่เราหลงมานานแล้วหลงมานานมากแล้วไม่ใช่หลงมานานเฉพาะในชาตินี้หลงมานานแสนนานไม่รู้กี่กับจึงไม่ยอมให้คืนใหม่ให้เป็นรู้สักสทีอย่าเป็นหลงอีกถ้าไปเป็นสังขารเมื่อไหร่เป็นหลงให้เป็นรู้สังขาร ก็คือตัวเราที่คิดที่พูดที่กระทำได้เนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดไอ้ตัวเราที่ประมวลผลได้ที่เข้าใจได้ที่ปรุงแต่งได้ที่พยายามดิ้นรนที่พยายามค้นหาพยายามทำความเข้าใจได้ล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดให้เป็นรู้สังขารเสียทีมันก็จะสิ้นหลงเสีทีหลงมายาวนานแล้วไม่ใช่ชาติเดียวหรอกมาหลงมาเป็นกลับเป็นกันเป็นรู้ มันก็นจะไม่เป็นหลงอีกต่อไปรู้อะไรล่ะก็รู้ตัวเรานี่ยแหละรู้อะไรล่ะไตัวเราก็สังขารทั้งแท่งสังขารคิดสังขารพูดสังขารกระทําสังขารมันแปลว่าปรุงแตง่งสิ่งใดปรุงแตง่งมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วตายหมดเกิดแล้วดับหมดแตกดับหมดเราไม่ต้องทํำลายเขาเพราะเขาเป็นเป็นสิ่งที่แตกดับตายแตกดับหมดเป็นของตายมีแต่รู้เท่านั้นเนี่ยที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเพราะเขาไม่มีตัวตน อาการยุ่ยิบยุ่งยิบยุ่งยิบยุ่งยิบยุ่ยภายในใจทั้งหมดล้วนแต่เป็นสังขารตัวที่ประมวลผลได้ที่เข้าใจได้พยายามปรุงแต่งมีเคล็ดเช่นมากมีเคล็ดเช่นมากหรือออเออเออาเออเอออาอะไรได้เออเข้าใจอู้เข้าใจมากเลยวันนี้โอ้โหเดี๋ยวเราเรากลัวว่าเราจะไม่เข้าใจกลัวว่าจะหลงอีกไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตัวอะไรตัวปรุงแต่งหรือเป็นรู้หรือเป็นตัวสังขาร ตัวปุงแต่งนอสงเป็นตัวแฝงหรือตัวสังขารนั่นแหละเดียวกันเราก็เริ่มรู้หมดเลยเห็นไหมเพราะอะไรเรารู้ก็เพราะอะไรเราเห็นทุกตัวเป็นตัวปุงแต่งหรือตัวสังขารเลยทั้งหมดแล้วใครเรามารู้ว่าทุกอย่างเป็นตัวปุงแต่งตัวสังขารทั้งหมดนั้นแหละคือรู้รู้นี่แหละคือความสิ้นหลงรู้ไม่อาจหลงได้ เพราะรู้มันไม่มีกิริยาการของหลงขอให้เป็นรู้ตัวเราอย่างเดียวมันจะมีกิริยาการหลงไม่ได้ถ้ามันมีกิริยาการหลงได้มันต้องเป็นอะไรเป็นสังขารออมันต้องเป็นสังขารเท่านั้นถึงหลงได้เพราะรู้มันไม่มีกิริยาการมันจึงหลงไม่ได้ทําไมในใจลึกๆยังมีความกลัวว่าตัวเราจะหลงเ่ยมีสภมพผิติอาการว่างๆลรืเปล่า เมื่อกี้เราพูดยังไงนะพูดใหม่ไม่ทราบว่าตัวหนูไปติดอาการว่างๆหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นรู้แล้วมันจะไปติดอาการว่างๆไหมไหมตัวหนูมันจะมีตัวหนูไปติดอะไรได้ไหมไม่ได้เหรอทำไมหนูกลัวว่าตัวหนูจะไปติดนั่นตัวหนูจะติดนี่ตัวหนูจะพยายามช่วยตัวหนูไม่ให้ติดอะไรอยู่ละ พ่อรู้มั น, มนแสดงกิริยาการได้ได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วมันจะไปติดอะไรได้ล่ะตัวตนมันไม่มีอ่ะมันมันเยันรู้ไม่ค่อยชัดหรือเปล่าคะอือมันไม่มีว่าชัดไม่ชัดไอ้ตัวที่เราพยายามรู้ให้จะชัดเนี่ยมันต้องเป็นอะไร อืม hmm? สังขา oh, รอ้าวสังขารอีกแล้วรู้ออกมาจากใจเป็นเด็กที่เป็นใบไมอกลางวันรู้ออกมาจากใจให้รู้ออกมาจากใจใจคิดไม่ได้อย่าใช้ระบบความคิดความเข้าใจเรากําลังใช้ระบบความคิดความเข้าใจรู้ออกมาจากใจ เห็นก็ให้เห็นออกมาจากใจได้ยินก็ได้ยินออกมาจากใจรู้ก็ให้รู้ออกมาจากใจถ้าเรารู้ตัวเราออกมาจากใจเราก็จะรู้คนอื่นได้ด้วยแต่ถ้าเราใช้ระบบความรู้ในการคิดให้เข้าใจเราจะไม่รู้คนอื่นเลยแต่ถ้าเรารู้ออกมาจากใจอ่ะ เราจะรู้ตัวเราด้วยว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเรากำลังกระทําอะไรเราแสดงภายในกิริยาการมีการแอคชั่นมีการกระทํามีการปรุงแต่งอะไรมันจะรู้หมดเลยเพราะมันรู้ออกมาจากใจเลยมันรู้ตัวเราทั้งหมดแต่เรารู้ตัวเราทั้งหมดแหละเราก็จะรู้ผู้อื่นในทั้งหมดรู้เทพเทวดาอินพรมยมญาตนาคุแม่แต่สัตว์เดรัจฉานที่เดินผ่านหน้าเราเราก็จะรู้เขาได้รู้จิตใจเขาได้เพราะมันรู้ออกมาจากใจ แต่ถ้าเราเนี่ยใช้ความเข้าใจเราจะไม่สามารถรู้เทพเท้าดาอินผมยมยักหน้าคุตทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถรู้เทพเจวดาที่มาที่มาฟังธรรมในที่นี้ได้นะหมดเพราะเราใช้ความคิดความเข้าใจมันไปไม่ถึงมันมีขีดจำกัดเราต้องรู้มันออกมาจากใจเนั้นความรู้ไม่ใช่ความคิดอย่า ใช้พยายามคิดอมมวลผลหาความเข้าใจจงรู้ทุกอย่างออกมาจากใจเมื่อใดพบใจเมื่อนั้นแหละพบธรรมเมื่อใดถึงใจเมื่อนั้นแหละถึงพระนิพพานพลาดจดเด็ดไปแล้วมวัวแต่จะท่งใหม่เลยไม่สะดุดเลยหรือว่ายังไม่ถึงเวลา